การเทาหวังประโยชน์ส่วนร่วมเนาะเข้าว่าประโยชน์ส่วนร่วมสีหวังซําไหนขนาดเท้านี่หละปมะโยชน์ําำนี่ข้อก่อเหตุซ้ำนี่ข้ากับไม้ประโยชน์ส่วนร่วมตามสติกําลังหลักหยดท้องเท้าจิ ม, มานี่แหละเพนจันทร์สีเพนกับไม้แนวหนึ่งเพ่นมีบริษัทบริวารหลายเพนกับไม้ใหญ่ไปก่อเห่าซ้ำเห่าเนี่ยซ้ำรับเห่ากับไม้ได้ เ, เฉพาะ บุญวาสนาเขาโม่เหานี่ยนะประโยชน์ส่วนรวมส่วนประโยชน์ส่วนตนก็ประโยชน์ส่วนร่วมผู้หวังประโยชน์ส่วนร่วมมันก็เป็นประโยชน์ส่วนตนอยู่ได้ตัวคือกันอันนี้สงสีเราหมายประโยชน์ส่วนร่วมเนีมันบรยยิจากเ ม, ม็ดว่าเห่าบุญ มันก็นได้มันก็นเป็นประโยชน์ส่วนตัวอยู่สำเก่อัน estiver, ท่าไม้ทําทำ่ำไรประโยชน์ส่วนร่วมเนี่มันก็ท่ำไรประโยชน์ส่วนตัวอยู่กรบสำเก่าของสนเอาลดมันมันสี่ได้เนีมันทำไร่เด้่ัคนทำไร่ส่วนร่วมกับทำไร่ส่วนตัวคือเก่าวังประโยชน์ส่วนร่วมกับวังประโยชน์ส่วนตัวของเก่าอันเดียวกัน หลวงปู่มหาค่อยมาค่อถามเราคยให้ให้เราถ้ากลุ่ท่านยาเพิ่นไปยุคเดียวเนี่ยมันม่ประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนร่วมมากตอบยากแล้วห้านอยู่คนน้อยพระมหากัจจปะหม่นเพิ่นมากช่วยสะดวกองมันประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์ส่วนรวมมากจีวอนไฮเมนคือคือจีวอนประโยชน์ส่วนร่วมมาคนอ เพราะว่าภูมินิสัยยังสั่นก็จะได้เอาเป็นอย่างย่างทีว่าใช่เพราะมันบ่ผิดธรรมพิดวินัยะอ้แม่นักผูกขี้น้ำการน้ำงานในส่วนต่างฮันนี้เนยมันก็เป็นประโยชน์ส่วนร่วมเป็นประโยชน์ส่วนเจ้าของสจ้าของล้วเจ้าของเฮ็ดยังสั่นก็บมโนใช่มันติดทิมติเสียมันก็ได้ประโยชน์ส่วนเจ้าของส่วนส่วนต้นบุญกระไรของสันว่า ซึ่งไหที่มันเบียดเบียนตนซึ่งไหนมันก็เบียดเบียนผู้อื่นคือกันซนะึ่งไหมันเป็นประโยชน์ส่วนตนมันก็เป็นระโยชน์ประโยชน์ส่วนผู้อื่นอยู่ในตัวคือกันข้าวาซัดชัดชีวิตในซิ่งมันมากินเด้สันเมื่อกเบียดเบียนทั้งตนทั้งผู้อื่นตัวสิวาจึงได้สัน เอาซีนเอาหนังเขามากินนี่ยฮะเนี่ปนเอาซีนเอาหนังเขามากินเนี่ฮะนี่โตก็ได้บาปนเนี่ยฮะนี่ยอนี้ห้ามเอะตาปลานี้ฮะเนี่ยเมื่อขาดชัดัดชีวิตเนี่ยฮะเนี่นอกกรได้ประโยชน์นําสัตว์ทั้งหลายก็ได้ชีวิตน้าเมื่อได้ควมเบียดเบียนนัดเมื่อควมเดียวกันฮะแล้วสิ่งนด้ที่เป็นประโยชน์แกตนเมื่อก็เป็นประโยชน์แกผู้อื่นในตัวสิ่งนี้มันเบียดเบียนตนซิ่งนั้นมื่ก็เบียดเบียนผู้อื่นใหตัว มันอันเดียวกันยุคนึงยุคนึงกับพอ่อพ่อลอยปีเกิดมาพอไว้มือกับท่านได้มือมือจิตมือใจมือสติมือปัญญาทั้งมือนอกมือในไหนละ ใครบอกท่านว่าเมื่อก็ตายทิมซื้อๆพอราอยปีจังตายสุกนของแม่ยนบ๊อจะเป็นมือไหนบุจะคนวิหน้าที่ไหนบุเพราะวันหน้านี่ยโบริกรรมอีีบ่ได้บริกรรมพ่อจังถึงอุ ป, ปจารสมาธิเด้ จะคอยเลยใชอปาสมาธิเนี่ยมันสมาธิตรงๆสมาธิยิงปัญญามันก็บริวาดอกผู้เจริสมาธิมันก็เดินวิปัสสนาได้อยู่ขณะนีก้การสมาธิก็ยังเดินวิปัสสนาได้อยู่พุทโธสันข่วาวพุทโธเนี่ยมันก็เห็นทั้งพวกเกิดความดับ ของเกตสีกรดมันก็เป็นวิพัฒนาอะไอยู่แต่ผู้โทู่บริกิดไดรดับไปใส่เนีเสีนบริกรรมตายตายจริงสิก็ตายแค่ลูกกายน้ากายนี่แล้ววะสันถ้ามันมาตายมีอยู่วะสันค่มันรู้สัมพยุพพร้อมกันมันก็เป็นวิพัฒนาใดคือกัน ความกันในเวลาบริกรรมผู้รูวมีอยู่ผู้หนึ่งเนี่ยผู้บริกรรมมีอยู่ผู้หนึ่งเนี่ยเหตุแหงสันภาวิน่ายของเพลิน เปรียบเหมือนได้ลอยดอกไม้ต่างสีมาอยู่น้ากันสีแดงบางสีขาวบางเพราะคนเกิดตะกูลต่างกันบาสม่ำเสมอจึงเอาพวีนเป็นเครื่องหอยคือหอยดอกไม้ดอกไม้ต่างสีนายสร้างผู้สลาดหอยไว้แล้ยก็ดูงา ม, มนะใช่ก็คนต่างตะกูลต่างนิสัยใจคอมากยังมีพวีน่ายอยเป็นเครื่องกับจักิเลียรย่างยากว่าสั่น วัดนาวัดเวียดจาวัตรกุติวัดเซนาสนาวัดชั้นตาวัดมันโล่งไฟบินทบาทวัดปฏิสันฐานวัด ธรรมเทศนาวัดจัดเข่าในสีลวัดมดัดอันมูนี่จัดเข่าในพระวนาวัดจัดเข่าในสมาธิวัดปัญญาวัดทั้งนั้นละกันที่ไหนจัดเข่าในสีลวัดได้ที่ไหนจัดเข่าสมาธิวัดปัญญาวัดได้คือกันเพราะมันส่งเสริมกันมันเป็นอนัญมณ์ัญญณกัน บันทึกอยางยิ่งเสมอนี่อาหนามเขาก็อาพพูดเดียวเขาเฮาตื่นขึ้นมาว่าด้เอาพิษเอาถือกับไพลถึงแมก้กุฏีอ่ะหนามห่อนเขาก็มาเฮ็ดไว้แล้วไพลเสกขวายหาหันออกมาได้สงสงผูดเดียวโลดไปโลดแง่โม่แรงก็เป็เี่ยนจะเพียงว่าเปลี่ยนให้พูดได้พูดหนึ่งพอยืนผาให้พ่อเป็นพิธีไ อ, อ้ซือ เมืเ่นว่าทัวรหลังทัวรอะไรมดวัดมดว่าต่างก๊กต่างเหล่ากันพิสังตัดข้อ ม, มูลว่ายห้มูมัดแล้วนี่มันเคลือนคำ ว, ว่าปวดหลังมันท่าบ่ถึงถือเอาตะรับนอมันพึงก็อยาาอันนั่นแล้ครับ ไปหากุดมู ห, มหุ่นหหมูทูหิ้วเขืข่อนมาเทียงขื้นมูโตสิไปหาจังไหนหาครูบาอาจารย์ไปหาพวกู้ในทิบนี่ทำไมได้ยามาซ่องหนึ่งไแก่กมู มเนื้อได้มานเอาไวท้ทายให้เข้าได้ไหมมูตัวยสุกินกินยังก็ได้อยู่เข้ากับบัณฑิวาเอาไม่แกกียมัดเท่าไหร่ห น, หน้อยไอ้นุ่มไอ้เท่าไอ้ยังมูตัวไปหาจังไหนอีกไปหามวกนู้นในโลกอันนี้ไปอยูหงอยู่หงกินได้เถินเราล้ า, ามเงื่องหางจากของขีดสาสนาผู้อื่น จับเสษวัคเก็บวัปปวยกั บ, บวัตุนิวปะแนงยังสีวาบุมีเวลาภาวนาโย่ห้วยเข้ากับมรดสัทธามุขกันแล้วดูวัญหาอาราวาสได้หนิบอกให้แจ้งไดได้หนิาหานดูปัญหาอาราวาสได้หนิคว่าของสั่นมันไฟวัปปาต่อวัปปไฟฉุดก่นมันบดี แล้มันหาพิษเด้นิแลมันถืเป็นเจ้าอาราวาสได้หน่เราให้นึกให้คิดได้ให้สนุดใจได้นิไม่สันสีว่าที่โตถึงนาเดียวสีว่าแต่ห้องพิเดียวนีว่าที่แท้ห้างผสมฐานะโตเมื่อใดกูได้คู่กับอาจารย์ผสมฐานะปฏิวัติเสานากมผสมฐานะกูปฏิวาติเสนา บอกว่าจริงมันให้ใหใหใหฟังไงฝุ่นมันหายแต่มเหมือเศร้คาคนว่กากอมันน่องมั้งเลยนี่อันไม้สีฟันเอาไปที้บผุนเข้า บ, กกบ่็อก้อยปฏิบัติคู่าอาจารย์มาเอามาเสียบว้เห็นจะับย่งไงก็บอไรหาบไงที่เหมือนเศร้านียโ้ยเาสัน ถ่ให้ควมสะดวกกันเท่านี้ก็ได้บ่วา่าั่านมือกระโดนนะ บ, บอกหลายเทือ่อหรอเหมืนที่ฟันเอามาเสียบไปนี่ใ ห, ห้องนี้ใน ห, ห้องเดี๋ยยืออกยงไงเนี้วยว่าท่นนี่บิด ท, ทิ่งไปจนหัวทักผุนยุที่ได้ผุนหาผู้ทีเอามาเสียบไว้บ่เมีม่ยงให้บ่ไงที่มือซ่อนนี่บ่เคยปฏิบัติมาของ่านละส้าสร้างที่ละหีน ห, หลื่เขามาสืไวไสืสืไวมันก็เฮียไปเฮียไปที่ขอวัดมนีว้ว่าท่น่จริงไ่ได้ถือตัวรอกเออ ผู้เกิดสุดท้ายพายลังก็จะเข้าใจว่าคอวัดครับกุศลศาสนามีเท่านี้ว่าใช่หายบางไ่แล้วหมื่นเชร้าไลยไขานี้วัดไฟสุมกุฏิทิมนียววัดเสนาหา้อาตัวกระทืค่ายเทนึงยวดบ้านเรื่องนี้ตัวเรื่องจักรน้ำพระให้อุปสรรค ตื่น ม, มาสาวมาพเทธาวบมีลังนาทีพุถ่าก็จมแล้วมันอากตันยูว่าสันจีว่านกันกระหายยันก็ะหายย่ามันใดบ่หาอันนัน้นพะันเป็นหลอดพร่หลอดถือกู่ได้ย่ามันไดบ่หาอันนัน้นอันผู้นี้ลื้ผู้อื่นก็อดพอบึงแล้วพระันเป็นบอกไปอีกว่า ว่ามืบนแทงนี่ก็ได้ก็เำใหอาจารย์ทุกคนตัววสันตพรมนาอุปัชฌาทุกคนตัวอุปชาผู้เดียวจะพูดมาอุปถฏฐกไก่นี่บอกว่าเสียงจังบาเบิ้งเด้อวสันตพนาแต่คนก็บอกมืบนแท่งนี่อุปัชานี่ก็ได้ห้าเหนหาชำนำเนี่ยได้หนักมาเคล็ดตายเล้วก็ได้ สองตาดับบมืนนี้เสร็จมาฮัลลาน่ะพากันมาดอกสมออยนี่เสียงเท่บักสมอใส่รู่เั้นได้ยินหัพอมโลกคลนกูกงกูกงกูเกงกูก่งโอ้ยว่าสันมูอโตให้ค่อยๆก็ น, นอนไม่ได้บอกว่าสันมันคือปวดคือเหลือเท้าว่าสันผากระมีอยุหันจะบติดเท่แห้งเลยฮะเลีเทียวลงปู นอนอยู่ฮานเทียลงปูพาวนา่าอยู่ไม่ไภวายจะข้นเฮ็ดตามาเพื่อใจไวสันบึบบ่บ่บ่บบดีนิ่หดพมหมาลกเสียงเทพบอกสม อ, อมหายไปตี่น้อยกุตีนี่เข้าทิไปเทลงเหวผลวมดได้นี่ไวสันกินโมเ ป, ป็นไวสันมิดจัดรันปัญญขนาอืมพามี่ฟังเสียงยอ่ะห่วยเชัเช็ดแ้งเลยฮานเทียรลงปูนอนนับอยู่อยานเคียงปูพาวาน่าอยู่ดี ม่เกินไปดอกดว่าสิเกิค่อยเท่อยายยงมันกับบุป Paran เทบึ่มดอกเ่นี้ก่กุ้งเก่งกุ้งเก่งกุ้งเกงนี่หอวทีใดญีุ่นมันแหล่วง่ายกับฟองแมนบอสเก่าเที่ยวทิปเที่ยวพุทธเอาอยู่หันดามบาทในห้องก็บ่า่าดอกวัตสจับพิชจับถือกระดอยดอกคือว่สัมเนียกระอเดียวว่าสันเข้าว่าของานนมันก็บบพีกนหน้าแล้พ่อมันาวัน้าเปลี่ยนเี่วัตสันเาว่า อันไม่ทีฟันก็คือนกันเน่ยอาจารย์ริเดอวัดมันมีจังเม็ดสะพอผ้าว่าน้ามีจังม่านาทิถีน่ะไว้ท่านเนี่ยบวกมานาทิถีสมือสมือครึ่งยิงครึ่งยังอยู่ไว้ท่านเนี่ยห่างมากเลยอ่ะหลวงตัวเคยจะปฏิบัติมากับครูบาอาจารย์ท่านเคยจะถึกหัวมวมมากขึ้นกันว่าว่ามันหมายเพื่อมาดีแล้วคือขอนเพิ่นหัวมวนมากขึ้นกันอ่ะเอามาเบามาเทศนี่ว่ามันัวดีเมื่อได้เดี๋ยดิถือขอดเพิ่นหัวมวนขึ้นกันน่ละ อายุคู่บาอาจารย์หลายองค์อยู่พูนเพิ่นให้จับเส้นทีทุมหาทุ่มบุญทุทุ่มบุญเดีวเปลี่ยนวาระกันอันนี้ไม่ได้ให้เฮ็ดนี่อายุสะดวกสะดวกนี่นหลวงปู่มันไม่ได้ป้ายเพิ่นเขาห้องนอได้ได้ทรงเขาห้องนอนสมือสมือของเพิ่นเท่าเจ็ดสิบแปดสิบแล้ว ก็บอกว่าภาวนาอนัตตาก็บอกอภาวนาเป็นแต่สักว่าลูประธานันเมื่อคืนจังว่าก็รักเดียดแถวภาวเดียอาหารเพื่อนน่ะเป็นแต่สักว่าลูควรเตือนกามีได้เป็นอนัตตาให้ก็มีได้ออนาตตา ทบเตือนก็บมี่ยอนัตจาคมก็มีเนี่ยว่ามันสี อ, อนัตจารอนุโมทนาหลวนๆดิเป็นเตสักว่าลูเตือนก็มีดเนี่ยเป็นตสักว่าลู่เซยก็มีได้เป็นเตสักวา่าลู่หาก็มีได้ เ, เดีย๋ยวนี้เขเมคือมรพนพนาดแทบท้าเทีนเยเม่อาากีเรียทอผู้ทอผ้าเนี่ยเพื่อว่า เ, อเอะนะ ไ, เงไงด้หะเนปะ็นภาษาศิลปง่ายๆได้หาเงน ตัวอีตัวมันได้แล้วนี่นี่นี่ น, นี่ยิ้มยิ้มอยู่นี่นี่ตัวที่หนมันคือผสมแท้พระผัวนี่พระธาตุพัทเจ้าถึงไปทักมาหันดีแต่เดาะมาย่องยง่ายได้มนุษย์ไม่หันบ่มาย่องยง่ายได้มนุษย์นี่มีปองละไปหลวนเน่ะ วิปัฒนาหงไงไญญ า, ายใช่ไหมเนี่ยเครื่องมืออันนึงนักใจที่สุดพอเห็นม่นจะเก็บเลย ตากแดดกระตากยื้อหันแล้วนี่เนี่อันหนึ่งมันพิดกับปฏิบัติมากครับคุณบาอาจารย์ตากแีดกระตากยื้หันแล้วเมื่อบอกกับพเก็บแล้วอันนี้ฉะนั้นมีภาคนเสียมม่งั่นผ่าขึ้นกันคันยุ้ยนาทำงานคุกขุยตากแดด ย, ยื้หันแล้วหาผูนน้ทีเ่มมททเอาเาขาโฮมก็บ่มีรวยขึ้นกัน เก็บก็บคือกันถ้าสิจะเก็บไว้ใส่ถิ่มหะไปแขวมันมุนของมันภายิสนาฝนเี่นมลวงพ่มันขุดยกขุดเสียมเร้วน่ะได้ล่างเบิดเนี่ยเมื่อวนเอาข่าวีิดินไปไว้ล่างไว้เรียบไม่ได้ออกการออกงานคือการถามอันนึง บอเห็นเน่เอาแล้วผู้เฒ่าห้องขับวัดล่ะไปหายตั้งซิปนาที่เศ้านาที่ยังใดอันบางคนเอาไปไหว้ส่วนตัวแล้วเป็นข้อทีตะปูฉันมีการมีงานเพิ่นถ่านเจษหเพิ่นท่านไน้ถามหาฝ้าออมาเน่นก็นยังไข่ยอยู่ถามหาว่าบอเห็นสั่มพักก็ไม่อยากออกมาใส่ขณะเอาไปไหว้กุดล่ะ อันนั้นก็เป็นตะซั่งบ่ถืออันนั้นเนื้นาพ่นเมื่อบ้านเนี่ยอนทีตะปูของพ่นมีเท่าไดร่สลอ์ของพ่นมีเท่าไดเอาให้มันถือของพ่นได้จะไปกับไปตูนไยได้มันจะเป็นอาบได้ จะเป็นเถ้ะบอกมันดีบออาวัตรก่อนของคนมีเทไรมันหักเทไรมันเพ ท, ทพเท่าไรมันแรงของพคนมีเทไรมันส่วนมันขาดมันเทพไปแล้วกาเลียไปเป็นจัําปุงจีน รักษาศาสตร์นะมันรักษาหมดูซเนวเลยเพรมันรักษาแต่อันเดียวเลยของสงบย่ยารักษาเนี่แบบหนึ่งของเจ้าของจั ก, กให้เก็บดีปันได้ให้จ้องกับบ่ได้แบบหนึ่งของสงกับบ่รักษาของเจ้าของกับบ่รักษาแบบหนึ่งแล้วมึงสะมองท่ายตัวทิพย์ตวเรียนอุหมันให้ทงบ่แม่นให้ ไม่ใช่เอากุ้มชับให้นิสัยพระลาหุนมีคู่ว่าอาจารย์ใหาา้ใส่ทำใส่เวินถือว่าสาธุสาธุผนเอาคุ้มชาาับให้ไม่หอนโกรธมหอนเขียดตะเตียววาสันจึงว่าเป็นผู้น่ส่งสรรเสริญเป็นผู้ลักไค่ในการศึกษาไหม มีภูมิดามาวามากาวในเรื่องที่เราท้ำบ่สอบบ่อถ้ำเื่อเพื่อนเอาคุ้ศัพ์มาให้ภาษาทิฏฐ์พระล่าหุนเป็นอย่างยางมูหายายแตกนี่เมือนปลาให้ตายอยู่เพเดียวนี่เพื่อนเพื่อนไปหันได้อันม้วเจอได้วันหน มันสัวยช่วยแต่เรื่อนี้นี่พ่อแม่จมใสียโซเ ส, สีแรงลูกเต่าจังพ่อพ่ออยู่พ่อกินจังเป็นลูกเป็นเต่าตามเขาเรยลูกเต่าผูวหนึ่งนิดไซสไปจังหนึ่งผูวหนึ่งนิดไซส์ไปจังหนึ่ง รุนกันยุปันมวยขีดถูดมันว่าไรคนเท่าดีก็พอก็เมยอยากขายากคือได้ดก็พอ ก, ก็เมียก็สมุขขันราซาลิบุต ร, พระพุธเจา้าเนื้อแดงๆอยากขายยากคือได้ในยุคนี้พระนาจารย์แบนไข่ แต่ดีก็พอก็มียก็ว่าได้เพราะมันจะกระเจริบขึ้นแต่ถึงยางอันพระก็ยังบ่ดขอกุตีได้หระบ่ทอหลวงปู่กับงมายังอยู่ดิฮะหลวงปู่ขงม่ายังอยู่ลาบหน่อยก็จริงอยู่แต่พระขอบุตรีได้ทนดยก็แพงอมวัด เก่งกัคุอาจารย์จิงยูหรือหากว่าเพื่อนอาจารย์โกมายังยั่งยืนสอบปานนี้กสิได้ขึ้นกันกับพ่อจักเด้มาทางกระบอกว่าได้ของพ่อตายอายุหกสิบเด้เพื่อนยั่งยูกสิยูในเล่าแปดสิบเดืยวนี่แล้วอาจารย์เบนดียู่หมือนเช่นไรเพื่อนก็ดียู ขันย่างซังให้พ่อปันเฮ่านี่สมอบุญเฮ้าแล้วอันดีก็นี่สาธุกันเสมอนี่กับสาธุย่าได้วยใจมันตน่ําก็เ้าเหมือนหรอกสางควัดปฏิบัติก็ได้สร้างเห็นแก่ตัวหรือไ่เห็นแก่ตัวก็ได้ขันตํามก็เฮ้าไปใส่ไม่ได้ เาขาก็ว่าเข้าตามพยอมนี่แหละสมือนี่ก็ได้ผู้ตามผู้ยอมไปก็เขออ้านี่ต้องใส่บ่ได้เหลี้ยวมาตัวย่างตามไ ห, มหนทำเข้านี่ย่างจิ๊ข่นมั่ง่ายก็ได้ส่วนวัฒนะหลับโยตมันซองหาบ่เห็น ส่วนสีน่ขันมากมายเดินยมพ่อว า, านาละคะัสวยยังตั้มให้ํำเฮานี่ตัํากาไปก็นี้ใส่ก็ได้สนหรับธนยศ์บ่หล่อค้นมาในทิศทั้ทงสีบ่มันสิมหาฤล็กเมื่อันมันสิมหาธรรมะเมือด มันปนกันมาอยู่คู่หมูคู่หมูคู่หมูอยู่สองคนหนึ่งมืงหนีว่าออกมาขอน้อยผ้าหน้าไปพุ้ท้วโทว้โทวไปผ้าหน้าย่มไรเห็นแต่หัว ด, ดอกไมก้แกงจังปังไปเลยมีหัว ด, ดอกไม้เต็มหลายอยากล้องแดงก้องเกียวก่าเจิดยีหนึ่งมันด้เป็นยังไงขอน้อยวะ เป็นปจาระสมาธิวะตายข้าหันกับไปพุ่มมะลุถุแล้ววะ น, น้อนึงปนขาหมูเรื่องเพศบาแหละสิปีแล้วนับได้มื่นตแล้ววะฉันไปพ่อข้าขาหมูสมอทีทาบุญไปนัขาแล้วกรได้มันฉีลรางไหนบอฉันมันกระด่างไม่ได้แล้ว่ะห้องไฟห้องมันวะีดรางไนจังไรวะ มีเตเศร้านาเดียวคเพ่อนอาจารย์สมชายก็ บ, บอกเศร้าอยู่ห่างเศ้าบ่ได้ไม่ได้กินนะสักลูกหลายคนนสัมันค่ น, นางลมันเขายุค้านออกเขาไปได้มากข้อนิสัยนิมิตุยังน้ยาหัวเขาแล้วส้มขอนิสัยํำกันุ่มยุ่งํากันจกตากั น, กกนยืนที่แหละมันเป็นปัญหา หลนงานอันนี้คำว่าเกิดขึ้นก็เรียบซ้อยกันเงื่อนนักกระซ่างขันเอาใจซ้อยกันกลายเป็นของเบางานเบาวันไนกระซ่างขันเมื่อสามัคคีกัน ก, กลายเป็นของนักของห้องว่าไหนทราบผ้าสางโบสถสางชิ้มไม่ยังผ้าชีนักใก่ยังคุณเมรูนี่เราเทศนทัน ผู้นคนก็เสียดอยู่เนื้ออ่อนมากทนายรันบุญมี่เขามาคว้าถ้ำพันพวห้ยถ้ำกันท้ำแล้วมนติดถือก็มาซิบอยู่สอันนี้ถือมาถือตากระจ า, ากยกรายแล้วก่อนหินก่อนนั้นไฟจะไปห่วงยุหันไม่ไฟจะไปยุหันก่ อ, อนหินก้อนนั้ถือมาถือก็ตามดแล้วไม่เพื่ออะไรไปยุหันเลยก่อนหินก่อนนั้ถิ่นยุหันนะนายบอกทำแย่ เขาอกอว่าดีอยู่ข้างบนนึกว่าจะเอาพระพุทธรูปมาไหว้ถ้าไม่เอาพระพุทธรูปมาไว้เขาจะขึ้นไปเล่นเมื่อมีพระผู้มีเกียรมียศมาพักหนึ่งคืนสองคืนท่านปีนขึ้นเขาไม่ได้ก็จะชูขึ้นให้พักอยู่ข้างบน เพราะข้างล่างไม่ได้ทำสกรปรกใส่แล้วเพราะไม่ได้เสพไปสมกันอยู่ที่นี้เราบอกหลอนแท้ๆเพราะไม่มีใครมาเสบมาสมกันอยู่ที่นี้เราบอกว่าดนี้ ซชือทอมาแล้วท่านแพทย์ซชือมาแล้วบอกทออันนั้นไว้ใช้แพทย์แล้วว่าทีบอกบอกสวนมาออกเศษบนตังอันนี้เข้ากับประกาบอกเมื่อเรานี้แมวแม่จะเอาแม่จับไอสวนไปใช้สวนตัวแล้วก็ไปออกอันนั้นออกอันนี้อย่าพนพรวา ข้าก็เลยงงวดใบบัวเห็ดเพราะมันบัวจาเป็นตัวมัมันย่ำสิตรงหนาห่างขอรอใครแลกเห็ดได้ยกแป็บมันซื้อมาแล้วก็เอาว้ถ้าตอนามใชะเน่มันเตกเอาไหม่มุดบัเห็ดก็ได้หรอกเพ่เราข้วเห็ดไหม่ก็ได้ใหม่เฮ็ดตั้งหนึงซื้อจะไปตัดมึนกระยานอกแปซื้อมาแล้วกอเลี้ยไปเอาม่ถ้าเ็ดตอไหม่ซะเอาไหม่ถ้าเ็ดตอแป็บซะ มีประโยชน์แป๊บมัแตกเรืออยู่พระชางหาญอันนี้บางคนเราเคลยร์เบื้อเบือยากเอามาเห็ดกระไรอยู่สิบปีเพศเทนึงเอามาเห็ดยังสิบพ่อเห็ดกระไรอยู่เอามาเหญญาาญญา็ดสู ง, ง, งอย่างมันยามสิตรงนำฝนหรอกมันนี่สิดวนหอกห่อระว่างระว่างตอนะว่างนี่ของพูดูดเจ็บแท้ๆไปห่อได้พูด เขาหอมเขาละแต่ว่าสายหลวงปู่หมันยังไหลเติมอยู่พวกที e ฟึ๊กปือมาจากหลวงปู่มหาจัดเป็นสายปู่หมันวัดพวกที่ฟึ๊กปือนะําหลวงปู่อ่อนมากก็คือกันหลวงปู่ฝันมา ก, ก็คือกันหลวงปู่้าว่ากกับเพื่น ลูกผู้สอบก็คือกันจะเป็นชายล้วผู้หมือนวงขอวัดที่มีปเปียกกันใก็ยงสงฆอกันเพราะอยุบเป็นชายของว่าคุทธเจ้ายิงยุบอน่น เราไม่มีนเล็กไปก็หนักอันมันมันเขาตัวมันบมอหมออันวินิจนี่เพาะเขาตัวห่าเขาบอกว่าเขาชิมาอะไนี่บอกตัวไปเห็นเขาบ่าอยู่ใส่ แตเขาจะให้กับผมค่อยมาฟังเขาแทนความเสี่งว่าไรความันโมดีที่สอเขากว่ามันดนมี่ตลาดอยู่แคนี้ตัวที่สานน้อเปลนไรมันเปลี่ยนท่าผมาวันทีหรือมันหมดเกตมันาจะเป็นอามวันทีติวต์เบอว่าเดียวมัว่างแน่ก็าบงวันทีหรือมันถึผมบอมาบางวันอมันถึงวันพุธ่มันอาจะถึงสามวั อาจจะเรียนยะอะไรก็ได้เพรเขาบอได้มาประเดียงทั้งนี้เขาจะเรียนอะไรก็ได้ของเขามันคิดกันในท า, า่เพราะเขาบอได้มาบอกกี่ว้ก่อนนก็จะเปียนในขนั้นใดกับใบกระเพรนน่ะข้อบัญชีมันมจะซีบคนะปะนๆๆในหนึ่งว่าเป็นรถมา หนึ่งรองปาปัาปยังอายุเขาบอกโกยเก่เๆจะพ่นสองนใครคนหมือดหมดว่าบมี่จะพ่นมันก็เต็มที่อยู่แต่จะตายเขาเขาบอกว่าที่อวดหนาเขียบยังรอกวมันได้ก็สวาๆวๆองมองมันมห้อยปฏิบัติมัมีห้อยอยังอภิชรีอุตติ สงดงามภายในกร้างได้เฮ้าบทสิมสีเดียมยาบยา่กระ้ังได้เขาไปวัดคนเขาไปเบิ่งบนเดือนู่กลุ่มพรวิหน้าคนนี้าบไปเสออนวัดอสอนว่าอยังนี้เฮ้าริดทีอันหนึ่งได้ทิฏีมานลอันนี้แก่พระโต๊ะข้อนี่งบิรล้าลายปายใก็ตามมากเต็มแผ่นดินก็ตามเบิ่งบนเดือนใ่กลุ่มพรวหน้าเบิ่งบนปฏิบัติสาวๆมองๆลรวเฮ้าจังท่นดอกบอได้สนได้นิสัยของเฮา มันเป็นนิสัสหลวงปู่มหาตอนนี้เอา้าแก่พระตกไงทาสิบอัไปก่อนทั้งทํพราะเพี้ยนวานทําหลอมกุฏนี่ยพลาดผล มันก็บอกไปที่ซื้อนี่เนาะต่งางออกไปถ้าปัตตาลแทะกับบริกรรมจะพอมปัตตาลพ้ปันนันจังพอบันนี่เนี่ยว่าท่านทิมหาผาดป้าน้ำแทงจะหลนเนี่ยคายบายคืนช้บ้าแล้วกับพูโทโโรนเนี่ย เลยออกงานแง่ก็ยัเข้าไปเที่ยวก็ได้ขึ้นรถขึ้นเรือมีธุระไปยังทีก็แก๊ๆนัอขั่วสภาพาน้าจะของเากันว่มันสีนังซื้อเดียวเบิงแผ่นดินมาเบื้อนี้เด้่มันสีเดียวเบองบ้านนั่นบ้านนีสพานนั่นเป็นังสัตว์ภาพนีเป็นังสี่นาเดียวเด้ทั้งไกพนบัวืม พาวานนาของโตัวยู่ได้บริกรรมอยู่อั น, นอันหนึ่งอยู่ขนาดนักแถ่มันท่างดีๆไม่ได้ไปท่างไกลเอยคือนวดไฟเนะี่ยยึดกระจ อ, อยู่พาวานานาหาันเนาวงอนที่ไปเลี้ยวบางบ้านนั้นบ้านนีนาเดียวแต่ทานนั่นเป็นสันเลิกเป็นทสันเหลืงกงสี่นาเดียวด้ ป้า น, นันจังพอป่า น, นี่เด้สังวัตรนมูกจะพูดเทโดนเนี่ยไปยุผู้ยุเขาสั่งว่ามันติไปยุผู้ยุเข า, ผ, เขาผู้หนึ่งผู้เดียวพพรามาอกวดมือซือโสเป็นโสตายอยี่ลีนี่หักมักผลในผพาในลีนี่ย่อมเป็นย่อมตายเลือดทุกยศบูราพระพุทธธรรมประสงค์่น เมื่มันที่ไปแต่พ่อเอามาอวดมูที่ซื้อเมาอวดหนาหลอนโยมกินขนมมซื้อของคิตใจมันเป็นเรื่องสั้นมันก็บว่าจะคมยนาจิตใจมันไม่เป็นเรื่องสั้นแต่คมมันกับปานบางบารมีเต้าแล้วจิตใจโบเห็นภัยในวัดตาสงสารโบเห็นโบยินงนีในข่วมรุดผลโบยินดหนีในมะผลในผ่านอินีไปคมมันกับมันก็บฟู่ขึ้นเสนาลวดเลยจิตจะหน้าว่าเป็น เจตนาจะของเป็นเรงสั้นแหะมันไ่ได้คมยากเลยวเ ด, ด, ดี๋ยวนี้ไพระไม่ได้ไหวยงาเด้สูงเลยย่อเขาเลยเด้ย่อเขามาหลายปีอ่ะย่อเขามาแค่แปดปีนี่แะตะกี้เอาพิสดารเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาลาย นมโมเมธะพุทธะนั่งนโมเมธะพรธรรมานั่งนมโมเมธะพรสังฆานั่งไหวพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายพระดิยสงฆ์ทั้งหลายนโมยมุตานั่ง น, ง น, ง น, งนมโมยมุติยาไหวเพื่อรุพุอเจตนาลังนักพุ่นกาพะกับพุทธโตธมโมสังโฆ นิพพานั่งโลดเพื่อรุดพุนก็ถึงพระนิพพานบรรยากาเพอเป็นพิ ธ, ธีวันนาแขกแบบนึงเห็นแขกมาจังทําทามาเรียบร้อยเห็นบุมีแขกรวยตนเบ้มเบ้มโลดสล่าแบบนั่นก็ใส่่าไรแบบนั้นแบบนึงมันเห็นแขกมาจังท้าทายาสิ เทาจะขาเนี่ยน่ะมันยุได้โตระบบพาวนาจะเทือทะแถลงเปล่ง เ, เสียแต่กันยังดีก็บอสำรวมยู่แหละ ว, ว่าหังเป็นทะั่งเนี่ยจังหน่อยว่าแบบนึงบัดห้าไปท้ายลูกวัสดุผ่าขาตะช่างสิทัาทางสี่บัดห้าว่าทายลูบุพาวนาจะเทือแบบนั้นเบื่อห้อกระได้เออ ว่ายิ้มบ่วันนันก็นยิ้มไม่ได้า่ทังใจมันแต่ถ้าเขา้ามาถ่ายรูปทั้งท่าทาเป็นพระละหันแต่ถ้าเขา้ามาถ่ายรูปก็อุ้ย คนอ่ะเนี่ยน้อยไม่ยป็นยิ่งยวดคนเขาไปบินธบาที่รันนะพระหายนิบิตตาบาทํามทาเป็นพระลหันมาห่าออกมาแล้วท่านกักกลมเพราะวาหน้าโมเหตจะเคลือเป็นตะเบืออันนี้ก็ได้ล็อคทิ้กต้มข้าน้อมเป็น ขึ้นมันนักปฏิบัติมันต้องลุกไหวพระพ่อหน้าเมื่อนั่งก็ต้องเดินเอาขึ้นผองเอาผองเอาโพดไปเ่ า, วาบวชสมแบกหูดพา่หยมุงเท่ามานจะของเท่าะมานหลายแน่ว อ, อยู่เด้ หนาวสิตายร้ายเลิกพาออกทัพาหมื่น้าังเตือกางมุ่งยุ่มันเงา น, นอนเลิกมุ่งเกิดบุนยัง่าท่านซ่วงมาสั่นไร้ขาต้อบไปเดินยโยกโมหม่นเจ็บพันทรับแต่ท่านสายังมาท่านในเงาวระเช่กระถนอกอันนี้หัวท้อเป็นปัวมือเองากระถนหมด ทางเทียตั้งหมายค้างว่า น, นอนเจ้าของตะเพ่นกับบอ่อไปลลางยี่นลูกปูโกมาเพิ่มหรอกลุกขึ้นมามันง่วงฮาวบายไปยางพี่สันคนมีสติบ่มีสติจับสิ่งเจ้าของของจากโลด ต้องบาดเดียวแต่ไมีสติแตมีปัญญากนะ็มีศีลก็มีสมาธิละ่ะก็มีวัดละ่ะมโนวัดสติวัดปัญญาวัดพอที่จวไปเหลวงปู่โป่งเ่งลุน่นไม่ได้อยู่นั่หลวงปู่มันก็มีได้ขึ้นไปกุศลนัล่นหลวงปู่เป่นหไ่ได้แล้วหลวงปู่มัน จับโจกกัแต่ยินเสียงโจกจับกากะแต่ยินเสียงกาลยไม่ได้แล้วไ่ให้ขึ้นแล้วปุตล้วงผู้มหาคือกันน่ะของบ บ, บุบวิบบเป็นกาเป็นโจกเป็นเครื่องใส่ของสอยขายนายจะของกอจะของโมมิสตีนเขาเลาลงไปยากได้ ฟ้าเอีงนามเอยียงในคือกันย่ามล้มพัดมาเราจะควนปฏิบัติอย่างไรฟ้าเอียงหนามดีบุกอันนี้บุบปผันว่าขุดมาตั้งแต่ขีดินอันันไหโยมใส่ห่วมกับเป็นส่วนหนึ่งอันบนพระใส่ห่วมกับไขมันรือนเขาบนพระใส่จะพระไขมันไขมันเรืนเขาเนี่นี่พุทเจ้าก็เบื่อได้ต่อเบื่ออันใดโอ้ล้มมาแหงไว้หาก่อนหินหรือหายยังมาเต็งไว้เขาแม้ เรามาจะไเทียอะเทียมันฟังเสียงมัพัดกระโนลงกุดที่วิหารป่องเปมนป่องเปตัวถิบนะสอแสดงให้เห็นสติบดีสติบุมีปัญญาที่มีมาได้ใสปัญญาบุมีนี่พิธาเวลาขาวอยู่มุดวิสุทธิี่ผ่านที่มาจากวนไหน ขันมันมีสติแล้วจับกรรมฐานไหนไหนมันก็บริเือวิสัยได้บอกอย่างนี้ขันปุมีสติแล้วจับกรรมฐานไหนไหนมันก็บรยอยู่ทั้งหมัดน่ะทำไมีอุปการะมากคือสติความระลึกได้ระลึกในในจิตที่ทำกรรมที่เห็ดนะ มีมีสติเราควมรููตัวมันก็ไม่ยังไงหันมัต้องได้เอื้นหาอันสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าจึงบัญญอนยารว่าถ้ามีอุปการะมากสองอย่างสติควบในรูดใดและไปชัญญะควบรูตัวเบิ้งเลยหัวใจว่าตเบิงฟังเหจว่าโตฟัง มันจบาลืมพูด ก, กันหัวใจว่าตัวพูดนิ่งกันหัว้จว่าตัวนิ่งเดินกันหัว้จว่าตัวเดินนั่งกันหัวจว่าตัวนัง่งบฮงคนหลงนัง่บนงบางคนหลงโดดบางคนหลงว่าบานงนหลงกี่ยนันน่ ขามันเหลือหลายปวดแ้งหไห้เมื่อต้องอย่าติพิจัยห้าวแต่สมทานาก้าพุทธเ่าเสือมอ น, นี่ก็จักสองคนผลอิมมันบม่ก้าแกจะขออาหารเหลือหลายเช่นท้ผู้อื่นวิจารห้าประเทศออกลาย ยัง้ยงยใครกินเขาก็ไ่กินตี่เงนินผู้เฒ่าเขาเกลอยแล้วก็มือหลังมือบหลางเขาก็เชื่อวนาจจกหูดำเลยจงว่าจับเขาก็วายอย มื่ที่ตัดน้นามูหรือประตัดใส่แต่สุกเขาเออกมาหายนั่นมันก็ได้อยู่อันพามันในแบบด้พิมพ์ขันหายาพภาคกติเม่ได้ขันเก่ากับว่าเอามันบมเมนแนวอะไ น, นัน่นยิบยุ บ, บัดมือกับว่แล้วขันหาเขามันพิดวพราะพุที่เจากับว่าบัญญัติน่ยมันบุคิดตัวนี้จะพุทโาทีงท่อง ขันหาเข้าก็ใชัเด้อยอะนี่ผมก็ใชัยได้ไวสั้นเป็นพี่บ้ายยังตัดหลายขันก็เราดเขาตัดตัดขันหาก็ได้ยู่ว่าสัาน้นอันนี้อันตกตัวอันนอันตกตัวมันกขึ้นยู่กับการยิบขนหงส์ที อันแขกมากเห็นี่ปัญญาเนี้ยแ้มีแต่เฮ้าพูดเดียวมูว่เราบ่กลักษาขันหมู่เจ้าถืไปห้าเลียกห้าพายาสุไปพ้นเขียนรับมาให้นี่แล้วมีผัว่าให้เขาจะค้นเน่ยไพก็เอาแต่ตัวหลอดตัวหลอดให้เขามาหุ่มแต่เฮาเออเขามาหุ่มเฮ้าเราผันเพลงโทษเฮ้าตัวบ่กลักษาพอซ า, ามเมอ่คขันถิไปหา้าเรียกห้า่าสยขึ้นไปแล้วยอย่างโยมเมื่ นี่ขั้นตอนนำรับเลขว่าพ้าอยู่นี่เพิ่นเขียนสวยในกระดานดานี่คนจะไปหาทำไมาจังพากันขึ้นไปพายภาป้ายเขามาเหามาหุมเหวะ เ, เขามาหุมเหแล้วก็พากันเพ่งโทษเหวาว่าเหามักยังสั่นสะนนีวาเดียวนี่มันจะไปเชือนันได้ยันี้ ข้ามีสิทธิ์ที่คู่ได้ขึ้นไนขนณะมาะถึงเรียมถึงไร่แต่ยุคศุนย์กลางมูแ ล, ล้วบัวมันบั ม, มันเห่าสิ่งพายุกุตีปากท่าผุดผ่านขึ้นมาหลายทานหลายคนอยู่สิผ้าผ้าไปหาเสื้ิยศาสตา์ผ้าไปหาเรือหาผ้าเนี่ยเสือผ้ากัดไปเนี่ยแต่พอมีคู้ว่าอาจารย์ผู้ขาบุ่นไหวเนี่ยแต่ซ้ำนักบดี พักกันซอยได้หรอบออันนี้จอบเจตเธอเธอเพ่งโทษเข้านาเดียวไปกันจะจะพักกันไปนั่งโดนไล่เพิ่นแหงเป็นโรคใส่เลือนอยู่เส่เพิ่นลูกหนีมันกับบ้าง่ามเพิ่นแหงเป็นคนเจีนเกินใจคนก็มีผูออ้บอกจะข้นนี้จอบเสตเธอเพ่งโทษเข้า คนถ่ายให้เขาเทีย่ยงหลวงปู่มหาไรายมาจะใช้เลยเข่าเถึงเข้าโหลดเข่าเถิงเข้าโหลดละสั่งการไม่มมูอไหวก็บุ๊ยประโยชน์เจ้าคนวะจักมาดีมาให้เขาเข่าเถิงเข้าโหลดเข่าเถิงเข้าโหลดเพื่อนวะข่วนให้เขากะจังให้เขากะซอยหูเป็นสูงเป็นตากันนะบอ ก, การามีลูกมีเต่าก็ได้เลยเพื่อนถ่ายให้อยูค่ความละเอียดไม่มมันแท่งเพื่อนห่ายให้ ใช้ขม่าไอ้ถึงเข้าถึงเข้าปันเข้าเป็นแม่ค้าห้างมาสักลูกเต่ามีบบปัดบบปลายซอยมาสักพระพุทธเจ้าองค์ใดทรงเสริมอบา ย, ย ม, มุขมีจักพระ อ, องค์บ่ ขา า, าระสรรพคุณพิดในการมุ่งมแต่อาบายยมุกทั้งนั้นแหะใครไปล่วงเข้าไปไหมแผลิบพายทั้งนั้นแหละฉีกขานทั้งการงานในทางที่สอบมุ่งมิต่อาบายยมุกทั้งนั้นแหละสับส่วนหายม่วงม่าในการเลียนมุ่งมิตรอบายมุกทั้งนั้นแหะ มันไม่มีทะเลสาเนี่ยเดี๋ยวดิอับอายมุกอ่ะนี่บอกถ้าเป็นขอมันจะซื้อได้นน่มันแมนเมอดอร่อล่ะอย่งซีวิตบอสอบมันจะเป็นอบายยมุกทั้งนั้นะมันไปท้าอบายยสดึ่งนาสึกปาก เหตุบอดีพลบอดีมันมันก็แม้นอบายยมุกมัดนี่แหะมันมันสิมีเจาะเรียนเลขเรียนผ้นนา น, น, นักเร่งยิงนักเร่งสุล่านักเร่งเรียนการพระน้ำมควดขมสัวเป็นเม็ดมุนอบายมุกทั้งนั้นะพระห้องก็ไปคบพระป่าประเม็ดมึงลูกขันบุแม้นอบายยมุกเน้นห้องกัไปครบเน้น บาปมิตรมึงรู้สันมิตรที่เป็นบาปมิตรที่เกจตนาบมดีบระวังผลทุกนาตาสงสารก็อับายยมุขทั้งนั้นละ่ะแผนนี่ขันว่างไปทา้งผิดมันก็เป็นแผน่นทวนร่ายคือฝ้าหมดล่ะอันนี้ก็ได้ผลของกรรมที่ท่านโมดีมันเป็นอับายยมุขทั้งนั้นละ่ะตูคึ้กันเพิ่มขึ้กันสิ่งไหที่มันเป็นบาปมันก็เป็นอับอายยมุขทั้งนั้นละ่ะ แล้วบอกว่าสัตว์อร่อยทิ้งไหนมันเป็นบุญมันจะเป็นปกรง ม, มันข่ามมันโมเมนสีมีเพียงแค่ขี้ปฏิบัติเท่านั้นทิ้งไหนเป็นบาปมันก็เป็นอบายยังมุกเท่านั้นเพราะมันบาปยิ่ซึ่งหน้า มันไม่ผลย่าห้มายแมกแบกในหับหลังคนหลังงอมาอไ ร, รเราบ่ทางมันดีมันบ่ดีห้องของจักคือแล้วมันบันมันคนบ่ของจักของจักติดเทอะมันสอนง่ายอยู่มันบอกง่ายอยู่อันนี้ของจักต่าแก่งที่มันอุกอยู่เดี๋ย ควบขีดขันมัง่ายออกมาออกใสเพราหงจักแท้มันเป็นช่วนหนึ่งนี่มันพอนห่อเนี้ยนี่อันเนี้ยหงจั๊กมันตั้งแก้งทั้งนั้นแหละอันพวกมาทาเลือกทำผ้ามันก็คือกันมันหงจั๊กแล้วมันตั้งแก้งนี่คือนี่ ถ้ามันเปลี่ยนคืนมา่อไหร่ก็่ด้พานพระเจ้าพระสงฆ์มาหลายอยู่ภาคกันว่าได้ละวะไปมาโลกมาเสียงมาเป็นเอาเขาเข่ามาในวันนี้ว่ามุ่นจะภาคกันอื่นคืนนึงพระเจ้าพระสงฆ์ก็มีอยู่เป็นปฏิบัติว่าให้เขาได้ละวะเพราะเห้เป็นธุระเขาผู้เดียวมันกับพรถือแล้วของหูบรักตาบร้อย เอาแนอนชอมร่มตายทนตัวลนูกเต้าเราเอาตัวรอดพอตัวรอดมัน่นขันเอาตัวรอดมันรอดอีหลีถ้าใข้เราว่ามันสี่ข่าเด้หรอเฮาาขันเขาจมแน่เจ้าอารวาดเพระเผอว่า ห้าปรจมไม่ผู้จมเลยฮะนี่โดนห้าวปไดจมปีหนึ่งแหละพราเราอมาจมสนุกและสั่งสั่งพี่ละีฮีเลืองเพื่อเราเา่ไปเอาไฟจุดก้น เมันห้าวสิขม่าศึกษากว่าละนิ่งคำมเมิดมากแล้วใคร ม, ม, มีขอคัดของอะไรก็อบอกกันจักกับๆเก็บๆซนะญาติเดินดุกลมพ่อหน้าบนเนี่ยไปจับกลุ่มไปคุ้ยกันเป็นกกเป็นเราบ่แม่นเนี้ยนี่พิษประเภทนี้ เขาตื่นขึ้นมากเลมท่านในไหวพระผ้ามาน้าเนี้ยสีหูสีตาเรไปบินทาบาทลดมันก็ัวเป็นเอาเนี่ยเน่ยสมน้ำตื่นพระท่านไปบินเทาบาทเพราะว่าพวกข้าชื่ออาหารหลอก พ, พัวพวกกินหลอกผัวก็พวกกินแล้วของตื่นพรท่านเขา าหาหยื้อเรื่อยสิกโอ้ยสุดเศร้าสุ่เล่งนั่นแหละปานนั้นจังพวป่านนี้ได้ใชโตกระดับต้องผู้หม่นมืนคือกันขันชัวพ่นหาจิ น, น้ำอุเบกขาโอ้ยพ่อแห้งลูกศิด พ, พ้นพ็เปนเพราะหาจิ น, น้ำอุเบกขาหนาเดียวเมื่อนึงกับขอ น, ท, นท่างหนึ่งมันคัดผ่า ต้องคว่ำตีมือหนึ่งถือขอคว่ำตีขอใส่หัวสางโตมันดื้อเ้าตัวมันก็ดื้อดีนี่ซับจะจำมันอ่ะเฮาๆๆปเฮาไปอะมันก็จิ่งมามันก็ป้ายผุนตีพอดีมันเด้งง่วงขึ้นมาที่จับควาดที่กินพผ่นควอมดีมันวมแน่วให้เพิ่นบังคับ ควมสวัวจงมันแน่วให้เพื่อนบังครับเราควบเพน่อนกันขาฟ้าห้องใจขึ้นกันโหลดไปเดียวอาทานต่อขอวัดปฏิบัติของตัวเพื่อรุดเพื่อผนมันจังสีเมนมัน ม, มันีเมนอาทานพสะสมกองกิเลส ปี น, นึงแหล้ว่าจะหายนี่ว่าหายนอ่มืล น, นี่แหะเจ็บเสียบเจ็บเสบเจ็บเสยบโรคอะได้เค่งขึ้นแ่ล้ครองน่ า, ามาถามว่าแปลงเพเขาเราเอาเงินมายัดไถ่เขาก็มานอนรับเป็นรับจ่ายอยู่พี่ไว้จะข้นสิ่มจี๋มะปนเขาย่ามไร ถ้าตีว่านักมันมีนักดิ่งข้าเจ้าม่วงมะเห็ดน้ให้นียน่ย่งที่ทุกก็นี่อโาโคนี่อขอขมุกลงหอ่อออกขมอลงไฮมาโซเปลี่ยนโซ่ตายน้ากรกร็เทียบปันนี่เขายัางสีวา่าข้างหยากเขาราคาญเนี่บอก มันบวมเนเลยเขามาดึงแขนขึ้นมรหกเียตั้งม่า น, าน่าล่ะสำนักบนนี้เลื่องมึงเท่าสิตายคานี่ละ่ะเราบปดึงมืยผู้ ด, ดึงเด้เขามีาหน้าคาตั้งสัญญาณดเดี่เราบอกขึนมรหกสิบบุนี่เล้นี่สำนักฐานะของสำนักนี่เขามองเพิง่งเบิ้องหน้าคาตั้งสัญญาณแหละเขาเริมาดึงขึนสนอกให้พ้นมรหกสนอกมรหกหน่วยขี่อึดขี่ยากกัน ที่ภักที่อูที่อาศัยที่ไปที่มานี่ยที่ส่วสชีวิตก็ส้างวัดเดียวเท่านี้แล้วบางบ้านไหนก็คือจังม่จะแนี่ยขี่ทุกขี่ยากแท่ข้าเจ้าระวางสัตดอก ถ้าขันและคนก็นดีมั ด, ด, นนมดทุกคนนั่นแหละสมเพชมากขาได้น้องชักซีสักซามัเานเทศบาลเทมเมอมันเขาจะปลาซอยมากทังว่าพ่อตลอดหอดฟังมากมื่นตาบังพีตีตาบังหนองดเด่แดเล็กน้อยเขมากขมาบานนี้มื่นตาเป็นหุงมาจำสะดุดละของภายสนวนของภายในเส่วน ยอมเป็นยอมตายรับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันเห็นห่งวิจแพทยได้ดอกกั น, ออกนเราพูเรื่องภายนอกนี่หรอกถอนบอกดอ ก, กอนันยอมตายก็พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผลสุดท้ายมือพระบุญพุเงียงย่อมไกท่ทีตายมุ่นสะุวัสดิกิ่งไปกิ่งมากจะกสียหอบกับพตายไปท่นัก อ๋อกูตีมูนี่ไว้ซะอันนั้นมันโซเป็ี่ยนโซตายแล้วพอพูดพระธรรมประสงค์ละล่ะน่ะถอนบาออกดอกน่ะโซอาทิตย์วัดเลยลเวั่โสตายนล้วพอพูดพระธรรมประสงค์ที่ไปโซตายน้าไผ ในโลกอันมือมันสิโซตายน้ำได้เดียวนี่นองมึงงดละมีพอนพอสิโซเปลี่ยนโซตายบมันที่ายุผู้เดียดวอาปากขึงนซีด้ดดนี่เดือจะกลมคนมาเห็นว่าห้าไเป็นบ้าเนี่ยเขาอาดเงือกอาให้อังเลยไม่ผูต้ตอบถึกเลยนี่ ข้าสมมุติเป็นบุคคลาธิษฐานห้พระพุทธพระธาตุพระสงฆ์ขี่เส้นี้คนมาเห็นข้ายืนั่งป่าก็สิว่าข้าเป็นบ้าห่างเถอะขี่พระพุทธพระธาตุพระสงฆ์สมมุติเป็นบุคคลาธิษฐานเนี่ยล่วงไปแล้วพ่ะเจ้จาจะโกรธจะกลัน่นสิมาธานาก็พ่ะเจ้จาจะโกรธจะกลัน่น สกคนละกายสกักคนละวัยกายสกักคนละใจให้ขี่รถเนีย่ยอารมณ์เหยียดย่ำทนร่ายไข้หนาหมูกใส่อยู่ทธงวงว่า ม, มีประมา่านสวดอธิษฐานว่ายังฉันล่ะสูสงเลยผู้ขาดจองขาดหงมือเลือกไหลเลืด้ก็ดีแต่เพิ่นกั บ, บข่ขี่ดอกเดือดควบขอลบว่าเรเห็นพระเจ้าพี่พิสารไหมอขอไปหาพระ อ, องค์เจ้าปากจูก น้ำฟาตีนมุนเรียหอยฟ า, าตีนผุนโัเกากับป๋อยที่เรียกกันก็ะได้ให้